กระความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิมองอย่างทั่วไปความมุ่งหมายของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้องหรือพูดตามศัพท์ว่าความมุ่งหมายของสำ ม, มาสมาธินั้นเป็นที่ชัดเจนดังได้กล่าวมาแล้วบ่อยๆว่าเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดีพูดอย่างง่ายๆว่าสมาธิ เพื่อปัญญาดังบาลีที่เคยอ้างแล้วว่าสมาธิเพื่ออัฏฐะคือยถาภูตะยาณทัศนะสมาธิเพื่อจุดหมายคือการรู้เห็นตามเป็นจริงบ้างสมาธิมียถาภูตะยาณทัศนะเป็นอัฏเป็นอานิสงส์ความมุ่งหมายและผลสนองที่พึงประสงค์ของสมาธิคือการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นบ้างจิตตะวิสุทธิ เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นอัตถะการบำเพ็ญสมาธิให้จิตบริสุทธิ์มีจุดหมายอยู่แค่จะทำความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องบริสุทธิ์บ้างอีกทั้งอาจจะอ้างพุทธพจน์ต่อไปนี้มาสนับสนุนด้วยคือในมหาปรินิพานสูตรทีคนิกายมหาวัชพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิที่ศีลบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก ปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากจิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้วย่อมหลุดพ้นโดยชอบเที่ยวจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะแม้ว่าสมาธิจะมีความมุ่งหมายดังกล่าวมานี้ก็จริงแต่สมาธิก็ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่ น, นที่นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายนั้นอีกประโยชน์บางอย่าง เป็นผลปลอยได้ในระหว่างการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของสมาธินั่นเองบางอย่างเป็นประโยชน์ส่วนพิเศษออกไปซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนยิ่งกว่าธรรมดาบางอย่างเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลแม้แก่ท่านที่ได้บรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จสิ้นไปแล้วโดยสรุปพอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ก็กาะประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางธรรม ประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาคือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอันได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง 1. ประโยชน์ที่ตรงแท้ของข้อนี้คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงเรียกตามศัพท์ว่า เป็นบาตรแห่งวิปัสนาหรือทำให้เกิดยะถาภูตญาณทัศนะดังได้กล่าวแล้วซึ่งจะนำไปสู่วิ ช, ชาและวิมุตในที่สุด 2. ประโยชน์ที่รองลงมาในแนวเดียวกันนี้แม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายที่แท้จริงคือการมรุภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส ช, ชั่วคราวที่เรียกว่าเจโตวิมุติประเภทอย่างไม่เด็ดขาดกล่าวคือ หลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจพลังจิตโดยเฉพาะด้วยกำลังของฌานกิเลสถูกกำลังสมาธิกดข่มหรือทับไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธินั้นเรียกเป็นศัพท์ว่าวิขำพนะวีมุิประโยชน์ของสมาธิก็ขอประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัยข้อนี้เป็นเรื่องของผลสาเร็จอย่างสูงในทางจิตหรือเรียกสั้นๆว่า ประโยชน์ในด้านอภิญญาได้แก่การใช้สมาธิระดับชาญสมาบัติเป็นฐานทำให้เกิดฤทธิ์และอภิญญาขั้นโลกีอย่างอื่นๆคือหูทิพย์ตาทิพย์ทายใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้จำพวกที่ปัจจุบันเรียกว่า ESP หรือ Extra sensory Perception ประโยชน์ของสมาธิก็คอประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต และการพัฒนาบุคลิกภาพตัวอย่างในข้อนี้เช่นทำให้เป็นผู้มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะที่เข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงสงบเยือกเยน็นสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสกระชับกระเฉงกระปรี้กระเป๋เบิกบานงามสงามมีเมตตาการุณามองดูรู้จักตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง คนมีนิวรนมีลักษณะตรงข้ามเช่นอ่อนไหวติดใจลหลงไหลง่ายหรือหยาบกระด้างฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดหดงุดหงิดมู่วามวุ่นวายจุนจ้านสอดแสลุกลี้ลุกลนหรือหงอยเหงาเศ้าซึมหรือขี้หวาดขี้แวงนังเลสมาธิเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพพร้อมและง่ายแก่การปลุกฝังคุณธรรมต่าง และเสริมสร้างนิสัยที่ดีรู้จักทำใจให้สงบและสะกดยั้งผ่อนเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิตประโยชน์ข้อนี้จะเพิ่มผูนยิ่งขึ้นในเมื่อใช้จิตที่มีสมาธินั้นเป็นฐานปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานคือดาเนินชีวิตอย่างมีสติตามดูรู้ทันพฤติกรรมทางกายวาจา ความรู้สึกนึกคิดและภาวะจิตของตนที่เป็นไปต่างๆมองอย่างเอามาเป็นความรู้สำหรับใช้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ยอมเปิดช่องให้ประสบการณ์และความเป็นไปเหล่านั้นก่อพิษเป็นอันตรายแก่ชีวิตจิตใจของตนได้เลยประโยชน์ข้อนี้ย่อมเป็นไปในชีวิตประจาวันด้วยประโยชน์ของสมาธิข้อ ง, งอประโยชน์ในชีวิตประจาวันเช่นหนึ่ง ใช้ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายยั้งหยุดจากความกลัดกลุ่มวิตกกังวลเป็นเครื่องพักผ่อนกายให้ใจสบายและมีความสุขเช่นบางท่านทําอานาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในเวลาที่จําเป็นต้องรอคอยและไม่มีอะไรที่จะทําเหมือนดังเวลานั่งติดในรถประจาทาง หรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทำงานใช้สมองหนักเป็นต้นประโยชน์ข้อนี้อย่างสมบูรณ์แบบได้แก่ฌานสมาบัติที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายใช้เป็นที่พักผ่อนกายใจเป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจากการบำเพ็ญกิจซึ่งมีคำเรียกเฉพาะว่าเพื่อเป็นที่ตธรรมสุขวิหารประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจาวันข้อสอง เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางานการเล่าเรียนและการทํากิจทุกอย่างเพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กําลังกระทําไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่เลื่อนลอยเสียย่อมช่วยให้เรียนให้คิดให้ทํางานได้ผลดีการงานก็เป็นไปโดยรอบคอบไม่ผิดพลาดและป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเพราะเมื่อมีสมาธิก็ย่อมมีสติกํากับอยู่ด้วยดังที่ท่านเรียกว่า จิตเป็นกรรมนิยะหรือกรรมนีแปลว่าควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งานยิ่งได้ประโยชน์ในข้อหนึ่งมาช่วยเสริมคือมีจิตใ จ, ใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายยั้งหยุดความกลัดกลุ่มวิตกกังวลก็ยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีกประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจาวันข้ส 3. มช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้ ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อกันปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไม่สบายจิตใจก็พลอยอ่อนแอเศร้าหมองขุนมัวครั้นเสียใจไม่มีกำลังใจก็ยิ่งซ้ำให้โรคทางกายนั้นซุดหนักลงไปอีกแม้ในเวลาที่ร่างกายเป็นปกติพอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจรุนแรงก็ล้มป่วยเจ็บไขยไปได้ส่วนผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ โดยเฉพาะท่านที่มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระแล้วเมื่อเจ็บป่วยกายก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่านั้นจิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วยยิ่งกว่านั้นกลับใช้ใจที่สบายมีกำลังจิตเข้มแข็งนั้นหันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วยอาจทำให้โรคหายง่ายและไวขึ้นหรือแม่แต่ใช้กาลังสมาธิระ ง, งับทุก เ, เวทนาทางกายไวก็ได้ ในด้านดีผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานย่อมช่วยให้กายเอิบอิม่มผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายดีเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัวความสัมพันธ์นี้มีผลต่ออัตราส่วนของความต้องการใลการเผาผลาญใช้พลังงานของร่างกายด้วยเช่นจิตใจที่สบายผ่องใสสดชื่นเบิกบานนั้นต้องการอาหารน้อยลงในการที่จะทาให้ร่างกายสมบูรณ์ผ่องใส เช่นคนธรรมดามีเรื่องดีใจปราบปลืม้มอิ่มใจไม่หิวข้าวหรือพระที่บรรลุธรรมแล้วมีปีติเป็นพักษาฉันอาหารวันะมื้อเดียวแต่ผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่หวนละห้อยความหลังไม่เพ้อหวังอนาคตสภาพกายจิตสัมพันนี้อาจแบ่งได้เป็นสามระดับตามขั้นของการพัฒนาทางจิตขั้นต่าสุดทุกกายซ้ำทุกใจ คือผลต่อกายกระทบจิตด้วยพอไม่สบายกายใจพลอยไม่สบายด้วยซ้ำเติมตัวเองให้หนักขึ้นขั้นกลางทุกกายอยู่แค่กายคือจำกัดขอบเขตของผลกระทบได้ความทุกข์ความไม่สบายมีอยู่แค่ไหนก็รับรู้ตามที่เป็นแค่นั้นวางใจได้ไม่ให้ทุกทับถมลุกลามขั้นสูงใจสบายช่วยกายคลายทุกข์ คือเมื่อร่างกายทุกไม่สบายนอกจากไม่เก็บไปก่อทุกข์แก่ใจแล้วยังสามารถใช้สมรรถภาพที่เข้มแข็งและคุณภาพที่ดีงามของจิตช่วยส่งผลดีกลับมาช่วยกายได้อีกด้วยไม่เฉพาะจิตใจดีช่วยเสริมให้สุขภาพกายดีเท่านั้นโรคกายหลายอย่างเป็นเรื่องของกายจิตสัมพันธ์เกิดจากความแปรปรวนทางจิตใจเช่นความมักโกรธบ้างความกลุ่มกังวลบ้าง ทำให้เกิดโรคโปวดศีรษะบางอย่างหรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดได้เป็นต้นเมื่อทำจิตใจให้ดีด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยแก้ไขโรคเหล่านั้นได้ประโยชน์ข้อนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีปัญญาที่รู้เท่าทันสภาวธรรมประกอบอยู่ด้วย